บทนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปผลที่ต้องการในการปฏิบัติสมถะกรรมฐานหรือการเจริญอาณาปานสติยึดถือประพฤติปฏิบัติกันนั้นในคำกล่าวรัตนาในตอนตอน้นจะพบว่า สมาธิในสามระดับแต่ในคำอธิฐานนั้นได้กล่าวไว้สองระดับคือสมาธิที่เกิดขึ้นชั่วขณะเึ่งสมาธิที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นและสมาธิที่มีความสงบภายในมั่นคงในเวลายาวนานมากขึ้นกว่าเดิมที่ท่านเรียกว่าอัปปนาสมาธิ พนใประการหนึ่งนั้นก็คือนิมิตทั้งสามประการคขาว่า น, นิมิตนั่นคือสิ่งที่กำหนดหมายใช้เป็นสื่อในการดึงจิตให้เกาะอยู่ในสิ่งนั้นคือให้ส ง, งบอยู่กับอา ร, รมณ์เรานั่นตามปกติแล้วจะใช้ในแนวกรรมฐานประเภทที่เรียกว่ากศสิน กสินนั้นเป็นรูปธรรมสามารถใช้ตาเพ่งดูได้ได้แก่การเพ่งดูดินน้ำลงไฟที่เรียกว่าภูตกสินคือสิลที่เกี่ยวกับเรื่องของธาตุแต่พวกสีต่างๆซึ่งปรากฏแก่สายตาของเราตลอดถึงช่องว่างที่มีอยู่ในที่นั้นๆที่เรียกว่าอากาศสกัจิต ไอ้ที่บางแข่งยังทรงแสดงสิ่งที่เรียกว่าอารู ป, ปกรสินหรือวิญญาณากสินเอาไว้ด้วยแต่วิญญาณเป็นนามธรรมคือยากต่อการปฏิบัติคือเพ่งดูได้วัญญามปกติก็ใช้ในแนวของสิ่งตรง น, นี้จอเป็นการที่เห็นว่าการที่จะใช้สื่อเป็นเครื่องมือให้จิตสงบนั้น บุคคลสามารถใช้ทุกการทุกโอกาสราะทุกแห่งก็มีดินน้ำลมไฟทุกแห่งก็มีสีต่างๆทุกแห่งก็มีอากาศแล้วก็ทุกจุดมันก็มีวิญญาณโดยเฉพาะยิ่งยิ่งก็คือไปใน ใ, นใจของเรานิมิตประการแรกที่ใช้จะเรียกว่าบริกรรมนิมิตในอการปฏิบัติก็คงเหมือนกันแนวเดิม โดือใช้ธรรมาหลักอยู่สามข้อสติความลึกสมัยชนะความรู้ตัวทั่วพร้อมแลลตาปะคือความเพียรที่เอาจริงเอาจังอิสันใช้คำว่าความเพียรที่แผดเผากิเลสให้เราร้อนกรรมฐานประเภทนี้ใช้เพ่งดูด้วยตา แต่การหลับตาและลืมตาที่จริงเขาไม่ได้ทรงแสดงไ้เพียงแต่ผู้ปฏิบัติพิจารณาเห็นว่ากรรมาฐานบางอย่างไม่มีความจำเป็นที่จะลืมตาเพราะลืมตาไปแล้วก็ okay, ต้องเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ใจไปรับรู้รูปไปใส่ใจในรูปแล้วก็เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาเพราะท่านจึงนิยมหลับตาในกรรมาฐานบางประเภทแต่ก็เป็นเรื่องของความสมัครใจ จะหลับตาหรือลืมตาก็ไม่ได้ว่าการเพราะประจุดมุ่งหมายสําคัญก็คือจิตต้องสงบเพียงแต่ว่าหลับตาเป็นลืมตาเป็นการเพิ่มประสาทรับรู้อารมณ์จากข้างนอกให้มากยิ่งขึ้นเพระโอกาสที่ชาวพันจิตสงบมันก็ทํายากมากขึ้นการนิยมหลับตาก็จะมีมาแต่สมัยโบ ร, ราณกันแต่แนวกระิีนั้นในตอนแรกก็จะใช้ตาเพ่งถูก โดยให้มีสติระ ล, ลึกรู้อยู่ที่ดินน้ำลมไฟหรือว่าสีต่างๆแล้วแต่ใครจ ะ, จะเจริญกสิณก็ได้เช่นสมมติว่าเพ่งดูดินกระตาจดจ่ออยู่ที่ดินในจุดนั้นแต่แนวการปฏิบัติในตอนต้นๆจริงๆท่านเจาดินมาทำเป็นแผ่น ก็รัศมีประมาณสักสี่นิ้วก็ขนาดขันน้ำโตๆหน่อยแล้วแปะไว้หรือติดไว้หรือวางไว้แต่ตาก็เพ่งดูในจุดนั้นในขณะเดียวกันภายในใจก็นึกบริกรรมคือนึกภายในใจว่าดินดินดินดินหรือว่าปฐวีปฐวีก็บริกรรมไปด้วย ตาก็เพ่งดูไปใจก็กำหนดนึกบริกรรมเป็นการสอนให้เพ่งดูที่ดินในจุดนั้นหรือแม้แต่ ด, ดูดูน้ำลงไฟก็มีลักษณะอย่างนั้นจนภาพเหล่านั้นปรากฏแกสายตาของเราชัดเจนแล้วก็ลองหลับตาดูปรากฏว่าถ้าปรากฏว่าหลับตากับลืมตาเห็นภาพเหมือนกัน ต่อไปท่านก็สอนให้ลืมให้ให้หลับตาเพราะนิมิตในตอนแรกงเรียกว่าบริกรรมนิมิตนิมิตโดยบริกรรมแล้วก็มาใช้ประสาทสัมผัสคือตาเป็นหลักโดยใช้ปากภาวนาใจก็กำหนดไปโดยตาก็คงเพ่งดูในจุดนั้นซึ่งอาจจะใช้เวลามากน้อยอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับบุคคลรานั้น ในช่วงนี้ถ้ายัางภาพไม่ติดตาท่านเรียกว่าบริกรรมอนิมิตแต่พอภาพนั้นติดตาคือลืมตาก็เห็นเหมือนกับหลับตาหลับตาก็เห็นเหมือนกับลืมตาตืมตาก็เห็นเหมือนกับหลับตาคือมายความวาภาพนั้นจะหลับตาหรือลืมตาจะปรากฏแก่ใจเราเหมือนกันในช่วงนี้ท่านเรียกว่าอุกกห์นิมิตคือนิมิต ท, ที่ติดตา ใจก็คงกำหนดอยู่ในจุดเดิมคือแนวของสมาธิที่กำหนดอารมณ์นั้นเป็นสังเกตว่าจะใช้อะไรก็ตามแต่ว่าใจก็อยู่ระลึกอยู่ในจุดนั้นเพียงแต่อารมณ์เพื่อความสะดวกหรือเพื่อความสบายที่เรียกว่าสัปายะสมาบุคคลซึ่งมีพื้นวัฒนธรรรมมีอัตยาสัยที่แตกต่างกันเพราเมื่อภาพเหล่านั้นติดตามก็เพ่งดูที่ภาพติดตาม จนใจิตใจมีความส ง, งบมั่นคงเพิ่มขึ้นและกำหนดนึกภายในใจขยายส่วนย่อส่วนของสิ่งเหล่านั้นดูถ้าขยายได้ย่อดได้เป็นการขยายเป็นการย่อในความรู้สึกนึกคิดของเราเพราะจริงภาพนั้นไม่ใช่ภาพจริงแต่เป็นภาพที่สืบเนื่องมาจากการเพ่งดู เราก็ติดตาติดใจอยู่ท่านั้นเดงแล้วกำหนดนึกย่อดส่วนไปเร่ยยอส่วนขยายส่วนจนขยายได้มากไม่มีกำหนดแล้วก็ย่อส่วนตังเล็กนิดเดียวแล้วก็โดยสัดส่วนนั้นไม่ได้เปลี่ยนก็ํำลองใล้กๆกับเราย่อภาพหรือขยายภาพวงกลมโดยใช้วงเวียนในรอบด้านเราก็เหมือนกัน ลักษณะเหล่านี้ที่จริงก็เมื่อทำไปนานๆก็คืออาการของอัปปนาสมาธิคือจิตใจที่มั่นคงแน่วแน่ขึ้นแต่ตามปกติแล้วเป็นกรรมฐานที่ไม่ค่อยมีการใช้กันมากนักเพราะมีอะไรยุ่งยากอยู่พอสมคุณเพียงแต่ว่า ไปอยู่ในสถานที่ใดไปนั่งในสถานที่ใดโอกาสที่จะใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องมือในการนำจิตให้สงบได้มันก็น่ากระทำเพราะยังไงก็มีสีต่างๆให้มองดูแต่นี้จะปล่อยความคิดฟุง้งซ่านไปก็มาจับอยู่ที่จุดนั้นเป็นวิธีการเสริมสร้างสมาธิขึ้นในชีวิตประจำวัน และป้าประสงค์อีกประการหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นผลมาจากฌานหมายความว่าใจที่มีความสงบมั่นคงคือเป็นฌานในส่วนผลคำว่าฌานนั้นจะมีอยู่สองส่วนส่วนเหตุก็คือการตั้งสติเราลึลกรู้อยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึง่งไม่ว่าจะเป็นลมหายใจเข้าออกดินน้ำลงไฟฤสีต่งตางๆก็ตามก็จะทำอะไรก็ตาม ในจุดที่กําหนดระลึกนั้นบ่งมัม่นที่จะให้จิตเกาะจิตสงบอยู่กับอารมณ์ดอกนั้นทนเรียกว่าอารามณูปนิจจันคือเพ่งอารมณ์ได้แก่การปฏิบัติระดับสมถกรรมฐานนั่นเองจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอารามณูปนิจจันมีการเพ่งดูอารมณ์เป็นลักษณะ ให้จิตใจสงบอยู่กับอา ร, รมณ์เหลานั้นเพราะงั้นแนวก็อนาปาก็ดีแนวก็สินที่สรุปย่อมาให้ฟังก็ดีก็แนวเดียวกันเพียงแต่อนาปานาสติตั้งสติระลึลกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกแนวกสินก็ใช้อารมณ์ต่างๆดั ง, งกล่าวใต่จิงพวกอารมณ์เหลานั้นเราก็ทํานองเดียวกันจะเป็นเสาจะเป็นหลักจะเป็นกอมไอ ก็ไม้จะเป็นหญ้าอะไรก็ตามที่เราสามารถเอาเชือกผูกเชือกด้านหนึ่งมาผูกไว้เพื่อล่ามสัตเพื่อล่ามสัตว์ได้คือไม่จําเป็นว่าจะต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งปัญหาว่าล่ามศัตว์ได้หรือเปล่าต่นนั้นเองที่ท่านอุปมาจิตเหมือนกับลูกโคหรือกับมังสนสตินั้นเหมือนกับเชือกตัวลมกรรมฐานมือก็เสารหรือหลัก ที่เราจะผูกเชือกอีกด้านหนึ่งไว้เพื่อล่ามโคตัวนั้นไว้ไม่ให้วิ่งไปไกลโคคือจิตไม่ให้วิ่งไปไกลเพราะแต่เรามองจาจุดนี้ก็จะพบว่าเอาว่าจริงเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปล่ามที่หลักล่ามไาที่ใดก็ได้ตัวเนื้อหาจริงๆนั้นอยู่ที่โคไม่ได้วิ่งไปไกลเป็นประการสำคาัญจนสงบอยู่กับอยู่ใกล้กับที่ที่เราล่ามไว้ เพรา ะ, ะอารมณ์ที่เรียกว่าชาญทึ่เป็นส่วนผลก็คือผลที่ปรากฏแก่ จ, จิตที่ในบทสวดบอกว่าวิตกวิจารปีติสุขเอกกตาผลเหล่านี้เกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลได้โดยสองวิธีด้วยกันแต่วิธีที่มุ่งหมายทางกรรมฐานนั้นก็คือเป็นผลสืบเนื่องมาจากจิตสงบ หมายความว่าผลเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อจิตสงบปฏิบัติผ่านสมาธิมีสมาธิหนักแน่นมั่นคงแล้วก็เรียกว่าอยู่ในระดับฌานที่เป็นส่วนผลถ้าเรียกว่าประตมฌานก็คือฌานระดับแรกชุดในชั้นแรกที่ท่านแบ่งไว้เป็นสีชั้นด้วยกันอารมณ์ที่ปรากฏแก่จิตในขณะนั้นประกอบโดยวิตกที่เป็นกุศล พิโต ก, ก็คือความสึกหรือความนึกหรือความคิดแต่กวิจาร์ก็คือการไต่ตรองการพิจารณาการดำริที่มีความต่อเนื่องซึ่งสายชนทั้งหลายเห็นว่าที่จริงแล้วอาการของความคิดทั้งสองนี้มันต่อกันดู นันแยกออกจากกาันไม่ได้เราคิดเรื่องใดเราก็นึกเรื่องนั้นนึกเรื่องใดเราก็คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องใดเราก็พิจารณาเรื่องนั้นพิจารณาเรื่องใดเราคิดเรื่องนั้ น, น, น, น, น, น, นแต่เนื่องจากพอการปฏิบัติขึ้นสูงขึ้นท่านพูดเป็นขณะเพราะขณะแต่ละขณะมาันก็ห่างกันที่ท่านอุปมาเหมือนเราตีะระฆังแล้วก็มีเสียงดัง จริงมันก็น่าจะดังอยู่นิดเดียวแต่ก็มีเสียงโขยขวนของระคังสืบต่อไปจากเสียงดังนั้นซึ่งเสียงทั้งสองจุดที่จริงก็แยกกันไม่ได้แต่ถ้าเราวินาทีมาวางไว้มันปรากฏว่าตัวเลขมันมันเปลี่ยนวินาทีมันเปลี่ยนไปขณะตีก็เป็นอีกขณะหนึ่งขณะโขยขวนก็เสียงระคังก็เป็นอีกขณะหนึ่ง นการคิดหรือการนึกเรื่องอะไรก็ตามคิดก็เป็นขณนะหนึ่งนึกก็เป็นขณะหนึ่งพิจาราก็เป็นขณะหนึ่งไตรตรองก็เป็นเป็นอีกขณะหนึ่งระนาดใส่ตรองจะเป็นช่วงยาวพิจารณาจะเป็นช่วงยาวอาจจะใช้เวลาหลายๆชั่วโมงก็ได้แต่ความคิดก็เพียงคิดจากนั้นก็เป็นพีนิตพิจารณาแล้ว วันดูองค์ธรรมใกล้ๆกับมากแต่ที่จริงแล้วเมื่อเกิดขึ้นไปในจิตใจของเราผมก็เกิดต่อกันไปเลยข้อสำคัญว่าจิตจะต้องสงบถ้าไม่สงบจะเป็นยังไงวิต ก, ก็มีวิจาร์ก็มีเพราะในแต่ละวันเราก็มีวิตกวิจาร์ตลอดเพียงแต่ว่าวิตกวิจาร์ในชีวิตประจำวันนั้นจะเป็นกุศลก็ได้จะเป็นอกุศลก็ได้กลางๆก็ได้ ก, ก, ก็กนิยายมันได้ แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมลักษณะทางอารมณ์ที่ผ่านมาในชีวิตประจำวันของเราจากสื่อต่างๆซึ่งวันจริงแล้วเราก็เพิ่มเห็นจ่เอาพวกโท ร, รทัศน์หนังสือพิมพ์พวกวิทยุโทรศัพท์รายการติดต่อต่างๆที่จริงก็พยายามที่จะดึงสื่อเหล่านั้นเข้ามาหาเราแต่สื่อเหล่านั้นมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดี การรับอารมณ์ของเราจึงรับปะปนกันไปทั้งดีทั้งไม่ดีเมื่อนำมาคิดนำมาพิจารณา ม, มก็คิดทั้งดีและไม่ดีแต่ ถ, ถ้าพูดถึงปริมาณแล้วเรารับอารมณ์ไม่ดีมากกว่าอารมณ์ดีจิตของคนจึงมักแก่ตกไปฝักฝ่ายของอำนาจกิเลสในชีวิตประจำวันนั้นจะมีสิ่งที่มีปัญหามีเรื่องต้องวิตกกังวลดูบมาก วิตกเหล่านี้มันไม่ใช่วิตรกในองค์ฌานเพราะยังมีความเปลี่ยนแปลงเป็นกุศลแปบไปเป็นอกุศลเป็นอกุศลแป๊บไปเป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศลเพิ่มขึ้นแต่วิตกวิจารในองค์ฌานเป็นวิตกที่ปรารบธรรมคือธรรมอวิตกซึมเนื่อมาจากจิตที่สงบจิตได้รับการควบคุมเอาไว้ เพื่สังเกตว่าหน้าที่ของจิตมีหน้าที่หลักที่ดูง่ายๆก็มีสี่เรื่องใหญ่ๆคือหนึ่งรับอารมณ์ที่ผ่านมาทางประาสาทสัมผัสคือผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตก็ทําหน้าที่รับอารมณ์มนั้นบินิจใจอารมณ์ความรับความอากนั้นเกิดที่จิตไม่ได้เกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายแต่เกิดที่จิต แระตาหัจมองเรื่การนั้นก็คิดไม่ได้เขรู้ไม่ได้จิตนั้นเองเป็นผู้รับเป็นผู้รู้เป็นผู้คิดเป็นผู้รักเป็นผู้ช่งเป็นผู้เมตตาเป็นผู้การุณาเป็นผู้ริษยาแต่จริงก็จิตเองก็ถูกปรุงให้โกรธให้ริษยาให้การุณาให้เมตตาอย่งที่ทราบแล้วเพราะในจุดนี้เองเดีย๋ยวบว่า ตัววิธีการสมาธิจิตจะถูกคุมไว้ไม่รับอารมณ์ข้างนอกแม้จะผ่านมาทางประสาทสัมผัสยันในขณะที่เราเจริญสมาธิยังไงหูก็ได้ยินเสียงอยู่กายก็ยังถูกต้องอุปตคภาพที่บังคทบอยู่แล้วจมูกก็อาจจะได้กลิ่นอะไรที่กระแทกกระทันใจส่วนลิ้นนั้นก็คงจะไม่ได้คิ้วกินอะไร แล้วก็ใจนั้นได้ถูกพวกคุมเอาไว้เพราะเราจะพบว่าตาก็ถูกหลับตาไว้เพื่อให้ไม่เห็นรูปโูก็แก้ไม่ได้ก็คงจะต้องยินเสียงจมูกก็คงได้รับกลิ่นลิ้นก็คงจะไม่มีรสอะไรไปอมไปเคี้ยวอยู่กายยังถูกต้องผดุภะคือเย็นร้อนอ่อนแข็งอยู่แสดงว่าประสาทสองส่วนคือลิ้นกับตานั้นถูกพวกคุมไว้แล้ว วันยังเหลือยังเหลือแต่หูจมูกกายซึ่งยังกระทบอารมณ์อยู่แต่ปริจใจในขณะนั้นสงบใจไม่รับถึงแม้จะกระทบมาใจก็ไม่รับโา ร, รมณ์นั้นเรียกไม่ใส่ใจไม่สนใจเพราะใจมันอยู่ในสมาธิอารมณ์ที่เป็นกิเลสถึงแม้จะมาจากข้างนอกก็ถูกควบกลุ่มเอาไว้เพราะใจไม่ยอมรับ มามาแล้วมกกระทบก็ตกไปกระทบหูก็ตกไปกระทบกายก็ตกไปใจไม่นำไปปรุงคิดไม่ได้คิดปรุงให้เกิดความกนัดเกิดเคืองหรือแม้แต่จะเกิดธรรมะก็ตามกือจิตไม่ออกไปยอมรับนั่นก็แสดงว่าวิตกในขณะนั้นมันก็เป็นกุศลมีสมาธิเป็นฐานจิตไม่ออกไปรับข้างนอกการเก็บอารมณ์ในช่วงสมาธิเป็นการเก็บสงบ เพราะหน้าที่ของจิตที่เรียกว่าจําหรือเก็บประสมมันก็เก็บสิ่งดีงามซึ่งความสงบความเยือกเย็นที่เป็นผลจากการประพฤติปฏิบัติธรรมะขึ้นทีนี้ตัวความคิดซึ่งเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของจิตความคิดก็จะเป็นการตรึกนึกหรือเป็นความคิดที่เป็นกุศลอีกซึ่งท่งานาวชนทั้งหลายจะเห็นว่าตัวสมาธิซึ่งเป็นกุศลและธรรมหรือเป็นจิตสิกขาเนี่ย เมื่อเขาเกิดขึ้นคุ้มครองจิตรัษาจิตเอาไว้แล้วก็จะทําให้ป้องกันอารมณ์ที่เป็นค่าศึกต่อจิตจิตสัมผัสอารมณ์ในขณะนั้นคือคือสัมผัสจากจิตโดยตรงที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเจริญสมาธิมันก็มีแต่ความสงบความเยืกเย็นปริมาณความดีเหล่านั้นก็จะเพิ่มเพิ่มขึ้นค่อยๆเพิ่ ม, เ พ, มเพิ่มขึ้น และจิตที่ทำหน้าที่ย่างหนึ่งที่เรียกว่ารู้อารมณ์รู้แจ้งอารมณ์ในระดับต่างๆรู้ระดับจำก็ดีรู้ระดับที่เพิ่มขึ้นก็ดีรู้ระดับที่แจ่มแจ้ ง, จ ง, จงชัดเจนในแง่มงนั้นก็ดีแล้วก็พร้อมที่จะออกมาเป็นวิปัสสนาซึ่งในภาพปฏิบัติท่านสาชนจะเจอโดยตัวเองทุกครั้งที่มีการปฏิบตัติบางครั้งปัญญาก็มีกาลังมาก เขาไม่ต้องการที่จะสงบเขาต้องการวิเคราะห์ต้องการวินิจพิจนาในแง่มุมของสจลักเพื่อเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนัตตาในขณะนั้นแสดงว่าหน้าที่ของจิตประการของรู้ที่เกิดขึ้นภายในจะกลายเป็นความรู้ที่ถูกต้องคือไปรู้แจ้งเห็นจริงในสังขารธรรมทางหลาย ที่ตกอยู่ในกฎของปัจจัยลกักนี่บางทีสติเขามีก็ บ, บางมากก็รึกอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็อยู่ได้ใจมันจะน้องก็หาความส ง, งบในขณะนั้นแสดงว่าจิตไม่รับอารมณ์จากข้างนอกเก็บสะสมเฉพาะส่วนที่ดีคิดเฉพาะส่วนที่ดีก็ขอให้เกิดเป็นความส ง, งบขึ้น ตัววิจารณ์เองก็จะเป็นพวกกุศลเพราะเริ่มต้นจากความคิดที่เป็นกุศลตัวในการตรายตรองไปนิพนธพิจารณาก็เป็นกุศลตามไปปีติันเป็นความเออบิมซึ่งเกิดขึ้นจากความสงบ ท, ที่มีอยู่ในภายในจิตก็จะปรากฏออกมาในลักษณะที่แปลกใหม่กว่าสิ่งซึ่เรา เ, เคยสัมผัสในชีวิตประจาวันเพราะความปีติที่จริงก็คือดีใจ เราสัมผัสอยู่ในชีวิตประจําวันนั้นจะมีเหยื่อคือมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีผลิภัณฑ์เป็นตักระตุ้นแต่ปีติที่ปรากฏในจิตขณะที่เจริญสมาธิหรือมีสมาธิหยุดนั้นมันก็มีธรรมะเป็นตักระตุ้นให้เกิดปีติเพราะอะไรว่าจิตใจในขณะนั้นได้สงบพลายบาทลงไป ความสุขความโปร่งเบาที่ปรากฏขึ้นภายในจิตก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากจิตที่สงบจึงจเรียกในทินนี้ในองค์ฌานว่าเอกคตาเอกคตาก็คือจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวกันหมายความว่ารวมเป็นหนึ่งกันเดียวอยู่ในจุดเดียจุดหนึ่งจนควากลายเป็นจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในรวมเดียวนั้นที่เ ร, เรียกยี่หนึ่งว่าสมาธิ ผลสมาธิเกยเอก ก, เอ ก, ก, กตาก็คืออย่างเดียวกันนี่เป็นผลตรงจากการเจริญสมาธิซึ่งแน่นอนจะเกิดขึ้นแกบุคคลได้ก็ต้องอาศัยการเจริญส่วนสมถกรรมฐานแต่เพึงสังเกตว่าความซึส ง, งบระดับสมถกรรมฐานหรือส ง, งบด้วยฌานนั้นก็ส ง, งบอยู่ในขณะที่เราเจริญสมาธิอยู่ แต่เราก็นั่งสมาธิตลอดไม่ได้มันต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้งหลายเพราะพอออกจากสมาธิสมาธิมันแตกเพียงแต่ว่ามีกวองฟุ้งซ่านน้อยกว่าคนปกติธรรมดาเท่านั้นเองอารมณ์ที่มากระทบทําไม่รุนแรงอะไรเกินไปแต่ก็รักษาคุณภาพจิตของตัวเองไว้ได้แต่าตามปกติแล้วจะไม่อยากรับอารมณ์ ไม่ต้องการสูงสิงอะไรวุ่นวายกับใค ร, รกลัวการพ่ายแพ้ต่ออารมณ์ดดนั้นง่ายว่ากลัวใจตัวเองเราคุมใจยังไม่ได้ฉันจึงมีวิธีการอย่างหนึ่งซึ่งถ้าเราเทียบแล้วเนี่ยพวะเจ้าจะเน้นไว้มากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตจริงๆนี่เรากระทบอารมณ์มากกว่าก็าเรานั่งได้สมาธิวันหนึ่งนี่หนึ่งชั่วโมงก็บุญแล้ว ส่วนใหญ่คงจะไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเวลาที่เรารับอารมณ์มีอีกตั้งยี่สิบกว่าชั่วโมงแม้ในขณะหลับจิตก็รับอารมณ์บางอย่างเอาไว้โดยเฉพาะอารมณ์เก่าๆเพราะนั้นทำยังไงจึงจะให้ได้รับสัมผัสผลเหล่านั้นในชีวิตประจำบันอันเป็นเหตุปัจจัยให้ ได้เกิดผลระดับสมาธิง่ายขึน้นเพราะเราจะพบคําสอนในแนวที่เป็นธรรมวิโตกคือตรึกนึกในเรื่องที่เป็นธรรมะตรึกนึกแล้วมัเกิดความสงบเหนียวนึกเรื่องอะไรเข้ามามีความสงบเพิ่มขึ้นมีความยเยดเยนเพิ่มขึ้นซึ่งบางครั้งทรงสอนโดยคําง่ายๆเกี่ยวกความว่าเราก็มีปัญญาพอที่จะตัดสินอารมณ์ได้ ก็ตื่นรึกในเรื่องอะไรแล้วก็ตามกิเลสที่ยังไม่เกิดเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วจะเสื่อมไปแต่ธรรมะที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วจะเพิ่มปุ่นมากยิ่งขึ้นก็ให้ตึกนึกถึงเรื่องเหล่านั้นแต่การปฏิบัติในชั้นนี้ตามปกติมันก็ต้องอาศัยคนที่มีภูมิปัญญามากแล้วในตอนตอน้ตนๆนั้นจะไม่สอนให้เสี่ยง ถึงจะเห็นว่าอารมณ์ของกรรมาฐานจึงไม่มีอารมณ์ลักษณะใกล้ต่อราคะโทสะจะเป็นอารมณ์กลางๆอาจจะเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลเป็นหลักเพราะอะไรเพราะว่าในขณะนั้นใจเราไม่ได้แข็งพอที่ท่านอุปมาเหมือนกับลูกโคซึ่ง เ, เพิ่งคลากมาจากแม่ใหม่ก็ยังติดแม่อยู่ก็กระดิ่นเพื่อไปหาแม่ของแกดังนั้นจิตใจของบุคคลก็เหมือนกันคลุกคล้าวยู่กับอารมณ์ ที่เวียงไปแรงก็รักขึ้รักกระสังที่อุปมาเหมือนกับปลาที่จะเดินเติบโ ต, ตอยู่ในน้ำปูพันเรื่อใหญ่อะไรอยู่กับน้ำาแยกจากน้ำไม่ได้ใครคื้นดึงกคนมาจากน้ำาก็กต้นดินนะจิตใจคนมันก็มีลักษณะอย่างนั้นคือคลุกคล้าอยู่กับอารมณ์โรตนี้มากเป็นพิเศษ เรื่องการที่จะดึงมาให้คิดในเรื่องที่เป็นธรรมะจึงเป็นเรื่องที่เรียกว่าทวนกระแสแรงทำยังไงจึงจะสามารถเหนียวนึกตรุกนึกถึงเรื่องที่ให้เกิดเป็นความสงบได้ในตอ น, ต, นต้นจึงสอนในแนวที่เรียกว่าไม่ควบคนผ่านคบบัณฑิตเนี่ยคือตั ว, ต, วตัวอย่างง่ายๆว่าอะไรก็ตามที่ใกล้ใกล้กันปแล้วมันมีส่วนในการ เพิ่มกิเลสสายโลภะโทสะได้เร็วได้ง่ายก็สอนให้หลีกเว้นได้ก่อนแต่ทีนี้ในจุดนั้นเองถ้าหากว่าภูมิธรรมสติปัญญาเรามากพอเราเข้าไปครุกคร่ำรมรนั้นได้ก็มีปัญญาในการวินิจฉัยได้หมายความแม้จะเป็นสื่อเป็นพาหะให้เกิดกิเลสประเภทราคะประเภทโทสะ แล้วก็ปริมาณปัญญาจะเกิดขึ้นเป็นนิาจนาแล้วก็ตัดกระแสกิเลสเหล่านั้นหรือมองให้ลึกซึ้งลงไปในสิ่งเหล่านั้นก็จ่ายถอนผ่อนคลายความกระหนัดความเ พ, เ พ, เพเลิดเพลนในลมหลอานั้นลงไปได้ดันั้นวิธีการเหล่านี้จึงต้องอาศัยปัญญาเป็นหลักถ้ายังไม่แน่ใจก็ไม่สอนให้เสียงท่านไม่สอนให้เสียง เพรอารมณ์หลอดใดก็ตามที่ใจตรึกนึกใจเดียวนึกไปแล้วกิเลสี่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นกิเลสที่เพิ่มแล้วจะเพิ่มปูดมากกิเลสที่เกิดแล้วจะเพิ่มปูดมากยิ่งขึ้นซึ่งหมายความราเอียอีกด้านหนึ่งว่าธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องลดลงไปเพราะกิเลสแก่เพิ่มธรรมะี่ยังไม่เกิดไม่มีโอกาสเกิดเพราะถูกกิเลสแกลบปังเอาไว้ก็ทง่งสอนไม่ให้ตรึกนึกไม่เดียวนึกตรึ ก, กนึกหลอั้น ซึ่แน่นอนอารมณ์บางอย่างเนี่ยมันผ่านเข้ามาด้วยโทรศัพท์บ้างวิทยุบ้างเราทัดบ้างหรือพิมพ์บาพพ้างไปพบเห็นขั้นนหนุนทางบ้างพูดคุยกันบ้างคือแต่ละอย่างนั้นก็พร้อมที่จะเกิดทั้งกิเลสและเกิดธรรมะอันนี้ทำยังไงว่าอารมณ์บางเรื่องซึ่งเราหลีกตัวอารมณ์ไม่ได้แต่ว่าใช้กําลังจิตที่ประกอบด้วยสตยิสัมปชัญญะความเพียรทอกเวรท้านในการปฏิบัติ ป็ตัดกระแสอารมห์ดันเตี่ยเดี๋ยวฟังตรงไหนก็ตกไว้ตรงนั้นต่อที่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป